การทำหน้าที่ของการละยะนานมิตรเมื่อมองในแง่ของการศึกษาหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมการที่มิตรทากิจต่างๆร่วมกันและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนับว่าเป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกสิ่งที่นับว่าสําคัญก็คือความมีอิทธิพลชักจูงกันในด้านความคิดเห็นทัศนคติค่านิยม ความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ท่านเรียกรวมว่าทิฏฐิถ้าเป็นความคิดเห็นทัศนคติค่านิยมความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมีโทษก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นฝฟายที่ดีงามถูกต้องเป็นประโยชน์ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมิตรใดมีอิทธิพลชักจูงให้เกิดมิจฉาทิฏฐิก็เป็นมิตรไม่ดี เรียกว่าปาปะมิตรมิตรใดชักนำให้เกิดสมาธิก็เป็นมิตรดีมิตรแท้เรียกว่ากัลยาณมิตรมีบ่อยๆที่มิตรชนิดในเรือนคือมารดาบิดาหรือแม้แต่ครูอาจารย์มีอิทธิพลชักนำทิฏฐินี้น้อยกว่ามิตรชนิดเพื่อนที่คบหาเที่ยวเล่นจุมหนุมด้วยกันแต่บางครั้งปรากฏว่า แม้แต่มิตรชนิดชิดใกล้นั้นกลับมีอิทธิพลน้อยไปกว่ามิตรชนิดตัวอยู่ไกลไม่ว่าโดยเทศะหรือกาละแต่มีพลังแรงเข้าถึงใจได้แก่มิตรที่มาทางสื่อมวลชนมาทางสิ่งบันเทิงเรืองรมตลอดจนหนังสือรวมทั้งชีวประวัติวีรชนบุคคลสำคัญอันเข้าหลักทิฏฐานุคติที่ท่านเน้น ตัวเชื่อมที่ทำให้มิตรนั้นเข้ามามีอิทธิพลชักจูงได้หรือปัจจัยเครื่องเชื่อมต่อระหว่างมิตรกับอิทธิพลที่เกิดขึ้นในใจก็ได้แก่ความเชื่อความเลื่อมใสความนิยม ช, มชมชอบความซาบซึ้งใจที่เรียกว่าศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วหรือทำให้เกิดศรัทธาแล้วถึงตัวมิตรจะอยู่ไกลไม่ได้คลุกคลี ก็มีอิทธิพลได้ถึงตัวมิรจะอยู่ใกล้แต่ถ้าไม่ศรัทธาก็หามีอิทธิพลชักจูงได้ไหมดังนั้นท่านจึงถือเป็นหลักการว่าผู้ซึ่งจะทำหน้าที่ชักนำสั่งสอนผู้อื่นให้มีความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นเป็นต้นอันถูกต้องควรจะต้องยังศรัทธาให้เกิดแก่ผู้รับฟังคำสอนนั้นได้ พูดง่ายๆว่าหลักการเบื้องต้นข้อหนึ่งในทางการศึกษาคือการยานามิตรเป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาหรือจะพูดขยายออกไปอีกก็ได้ว่าการคบหาบัณฑิตหรือเซวนาสัตบุรุษเป็นปัจจัยแห่งศรัทธาผู้ใดแม้จะเป็นคนดีมีปัญญาแต่เมื่อยังไม่อาจให้เขาเกิดศรัทธาได้ก็ยังไม่ได้ฐานะเป็นกาลยาณมิตร และการเสวนาหรือการครบหาก็ยังไม่เกิดเมื่อศรัทธาแล้วใจรับก็นำความคิดได้นำพฤติกรรมได้อาจให้เกิดการเรียนแบบหรือชักจูงให้รู้จักคิดอย่างถูกต้องซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งต่อไปข้อตัดสินว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สำเร็จคือทำให้ผู้เสวนาเกิดมีสัมมาทิฏฐิ เรื่องสัมมาทิฏฐิในแง่หลักวิชาตามแบบหรือตามตำราเดิมแท้ยังจะได้กล่าวต่อไปอีกแต่ในที่นี้มีข้อควรทำความเข้าใจเบื้องต้นไว้ก่อนว่าความคิดเห็นทัศนคติค่านิยมความรู้ความเข้าใจถูกต้องดีงามที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นอาจมีเนื้อหารายละเอียดมากมายอาจบรรยายกันไปได้ต่างๆหลายอย่างหลายแนวแต่เมื่อมองตามหลักธรรมแล้ว ก็สรุปได้เป็นเพียงสองประเภทคือหนึ่งความเชื่อถือความเห็นทัศนคติความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผลเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วการทำดีทำชั่วและการได้รับผลดีร้ายสอดคล้องกับการกระทําของตนคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความเชื่อมั่นในคุณธรรม เช่นคุณของมาดาบิดาความเชื่อความเห็นสอดคล้องกับคำสอนทางศาสนาเช่นว่าโลกหน้ามีเป็นต้นรวมเรียกกันสั้นๆว่าเป็นชอบตามคลองธรรมหรือความเชื่อกรรมซึ่งทำให้มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเรียกตามหลักวิชาคำเดียวว่ากรรมสกตายาน อย่างที่ว่านี้แหละคือส ม, มาธิทฐิที่เคยกล่าวถึงมาแล้วว่าเป็นโลกิยะสั ม, มาธิทฐิหรือส ม, มาธิทฐิขั้นโลกีเกิดจากความรู้ความเข้าใจเหตุผลโดยอาศัยการอบรมสั่งสอนปลูกฝังสืบสืบกันมาในสังคมช่วยให้เกิดความประพฤติดีประพฤติ ช, ชอบและการดำเนินชีวิตที่ดีงามทำให้สังคมสงบเรียบร้อยคนอยู่ร่วมกันร่วมเย็นเป็นสุข 2. ความรู้ความเห็นความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตหรือสังขารธรรมทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงคือตามสภาวะของมันและตามความเป็นไปโดยธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องซึ่งควรจะมีจะเป็นระหว่างตนเองกับสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่หรือกับโลกและชีวิต ดังเช่นรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารธรรมเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประชุมกันเข้าเป็นไปตามความสัมพันธ์สืบอทอดกันแห่งเหตุปัจจัยจึงมีสภาพไม่คงที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่ยั่งยืนอยู่ตลอดไปและมีเหตุปัจจัยต่างๆขัดแยง้งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของมันเองอย่างแท้จริงไม่อาจเป็นของใคร และไม่คืนต่อความปรารถนาของใครได้จริงจัง เ, เมื่อสิ่งทั้งหลายมีสภาะวะแท ier, ks, ้จริงเป็นอย่างนี้เราควรมีท่าทีและปฏิบัติต่อมันอย่างไรการมีท่าทีแห่งการยึดมั่นถือครองอย่างไม่ลืมหูลืมตาหรือยกมอบชีวิตนี้ให้แก่การแสวงหาขวายคว้าสิ่งเหล่านี้เป็นการถูกต้องแล้วหรือไม่ มนุษย์สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเราต่างก็เป็นสังขารธรรมตกอยู่ใต้คติธรรมดาเดียวกันเป็นเพื่อนแก่เจ็บตายเราควรมีท่าทีและปฏิบัติต่อกันอย่างไรดังนี้เป็นต้นความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้เกิดจากการรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตรงตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยของมัน เป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระคือในขั้นต้นนี้ยังเป็นโลกยะแต่ก็อยู่ในแนวทางของโลกุตระสัมมาทิฏฐิจะเจริญขึ้นเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิได้ต่อไปสัมมาทิฏฐิอย่างแรกเรียกว่า กรรมสกตาสมาธิฏฐิได้แก่กรรมสกตายานความรู้ภาวะที่บุคคลมีกรรมเป็นของตนหมายถึงความรู้ที่พอรู้จักแยกว่าอันใดเป็นกรรมของตนหรือม่ใช่นับเป็นความรู้ระดับที่ทำให้รู้จัก ร, รับผิดชอบการกระทําของตนที่ชาวพุทธไทยมักเรียกกันว่ากรรมสกตาสัทธาเป็นสัมมาทิฏิระดับธรรมจริยา หรือกุศ ล, ลกรรมบทเป็นประโยชน์หรือจุดหมายชีวิตระดับทิฏฐะธรมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะแต่เป็นพื้นฐานของปรมาติต่อไปส่วนสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองจัดเข้าในระดับวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิแต่บาลีเรียกสัจจานุโลมิกยายนแปลว่า ยานคล้อยแก่สัจจะหรือความรู้ที่เข้าแนวสัจจะนําไปสู่การตรัสรู้คือมุ่งตรงต่อปรมัตต์ต่อไปจะเห็นว่าสัมมาทิฏฐิตัวแท้ที่จะให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองซึ่งเป็นความรู้ที่เข้าแนวสัจจะ ชาวพุทธทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คิดจะเข้าถึงจุดหมายสูงสุดหรือยังไม่คิดก็ตามยอมไม่ควรหยุดอยู่เพียงสมาทิฏฐิข้อแรกควรจะก้าวต่อไปสู่สมาทิฏฐิข้อที่สองด้วยโดยพยายามปลูกอบรมพัฒนาปัญญาระดับนี้ให้มีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยเพราะสมาทิฏฐิระดับนี้จะช่วยบรรเทาความโลภโกรธหลงให้เบาบางลง ทำให้จิตใจปลอดโปร่งพองใสรู้จักวางใจวางท่าทีต่อโลกและชีวิตดีขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นเป็นวิธีการลดการเบียดเบียนแย่งชิงและความทุกข์ความเดือดร้อนของโลกที่ได้ผลแท้ยิ่งกว่าวิธียับยั้งบังคับหรือเหนียวรั้งใจในระดับที่เรียกกันว่าศีลธรรมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่สังคม อุตตโว่าด้วยสมาธิฏฐิที่เป็นโลกิยะและโลกุจระดูในบทต่อไปว่าด้ยวยองค์ประกอบของมัชชิมาปฏิปทาอตกาถาจําแนกสมาธิฏิละเอียดออกไปเป็นห้าอย่างคือกรรมสกตาสมาธิฏฐิญาณสัมมาธิฏฐิวิปัสนาสมาธิฏฐิมัคคะสัมาธิฏิและภละสัมาธิฏฐิ 3อย่างแรกเป็นโลกิยะสมมาธิฏิสองอย่างหลังเป็นโลกุจระสมมาธิฏฐิสมมาธิฏิข้อที่หนึ่งที่กล่าวมานั้นก็คือกรรมสกตาสมมาธิฏฐิส่วนข้อที่สองจัดเข้าในวิปัสนาสมมาธิฏิดังนั้นทั้งสองข้อจึงเป็นสมมาธิฏิระดับโลกีเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างว่า วิปัสนาสมาธิฏฐิเป็นสมาธิฏฐิที่นำไปสู่มัคคาสมาธิฏิและพละสมาธิฏฐิซึ่งเป็นโลกุตระจึงได้เรียกว่าเป็นสมาธิฏฐิแนวโลกุตระก ร, รมสัสกตายานซึ่งเป็นก ร, รมสัสกตาสมาธิฏฐินั้นมีตัวอย่างที่คุ้นกันดีคือสมาธิฏฐิในหลักธรรมจริยาหรือกุศ ล, ลกรรมบทสิบ เป็นสัมมาธิฏิที่มีทั้งภายในและภายนอกพระพุทธศาสนาและมีมาแม้ในสมัยก่อนพุทธกาลคือมีในลทัทธิศาสนาที่เป็นกรรมวาทีทั้งหลายซึ่งสิ่งใดก็สอนกันไม่ว่าลทัทธิศาสนาไหนถ้าถูกต้องเป็นจริงพุทธศาสนาก็ยอมรับทั้งนั้นซึ่งในอัธกถาก็ย้ำไว้ว่ากรรมสกตายาน และสัจจานุโลมิกายานยานคล้อยแก่สัจจะคือความรู้ที่เข้าแนวสัจจะหรือคือวิปัสสนาญาณ น, นั่นเองเป็นโลกยะสมาธิฐิอนหนึ่งในมัชฌิมัดิกายอัตถกถาจำแนกสมาธิฐิหแปลกไปเล็กน้อยเป็นวิปัสสนาสมาธิฐิกมัมมสกตาสมาธิฐิมัคคะสมาธิฐิ พละส ม, มาทิฏฐิปัจเจเวคขณะส ม, มาทิฏฐิคือตัดฌานส ม, มาธิฏิออกเติมปัจเจเวคขณะส ม, มาธิฏฐิเข้าแทนฌา น, นส ม, มาทิฐิเป็นโลกีเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของผู้ได้ฌานไม่เกี่ยวกับที่นี้ส่วนปัจเจเวคขณะส ม, มาธิฐิได้แก่สัมมาญานเป็นเรื่องของผู้บรรลุมรรคผลไปแล้ว ถึงแม้จะเป็นโลกีแต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังพิจารณาเมื่อแยกแยะดูขั้นตอนตามลำดับของกระบวนธรรมะจะเห็นว่าการเสวนาสัตบุุษหรือความาาามีกัลยาณมิตรนำไปสู่การได้สดับธรรม คือคำสอนคำแนะนำชี้แจงต่างๆโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเมื่อธรรมะคือหลักความจริงหรือหลักแห่งความดีงามที่แสดงนั้นเป็นจริงหรือดีงามจริงหรือแสดงได้ดีมีเหตุผลผู้รับฟังก็เกิดศรัทธาอาจเขียนให้ดูง่ายดังนี้เสวนาสัตบุรุษหรือมีกัลยาณมิตร ไปสู่การสนับธรรมการสนับธรรมไปสู่ศรัทธาในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งลำดับธรรมะในอังคุตระนิกายทัศกนิบาศเขียนอย่างบาลีในที่นี้แต่ละคามีลูกศรไปหาการตามลำดับนะครับสัพพุริสัจสังเซวนะศรัทธา และยังแสดงลำดับทมฝ่ายละตอนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อมีกัลยาณมิตรก็สามารถจะกําจัดความไม่มีศรัทธาความใจแคบความเกียดตกร้านได้คำพีรุ่นหลังเช่นวิสุทธิมักนำหลักอย่างนี้มาใช้ในการอธิบายเรื่องศรัทธาโดยกล่าวว่าศรัทธามีโสตาปฏิยังคะเช่นการสดับสัตธรรม เป็นประฐานก็ได้ถึงตอนนี้ก็ามาถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งในกระบวนธรรมะแห่งการศึกษาหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมคือจุดเชื่อมต่อจากองค์ประกอบภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมเข้าสู่องค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลตามหลักนั้น ทันวาองค์ประกอบภายนอกคือปรโตโคโสะลุนล้วนในที่นี้ได้แก่ความมีกัลยาณมิตรส่งผลได้ถึงศรัทธาจบลงเพียงแค่โลกิยะสัมมาทิธฐิเท่านั้นถ้าได้เพียงเท่านี้ก็เป็นอันไม่ไปตลอดกระบวนการศึกษาไม่ถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุท ธ, ธศาสนาเมื่ออยู่แค่ขั้นศรัทธา ผู้มีศรัทธานั้นก็ยังต้องคอยอยิงยังขึ้นต่อกัรลัคนามิตรคอยพึ่งอาศัยครูอาจารย์พฤติกรรมก็ยังอยู่ในลักษณะของการทำตามหรือเรียนแบบยังไม่รู้จักเห็นจริงประจัก์แก่ตนยังไม่เป็นอิสระหลุดพ้นสิ้นเชิงทางแก้ก็คือต้องหาทางเชื่อมโยงให้ก้าวเข้าสู่องค์ประกอบภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคล คือโยนิโสมนสิการโดยปลุกโยนิโสมนสิการให้มีขึ้นและมารับช่วงทำงานต่อไปดังหลักการแสดงไว้ว่าโยนิโสมนสิการจึงจะสามารถนำไปสู่โลกุตระสัมมาทิฐิบรรลุจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือการศึกษาที่แท้ได้ การเชื่อมโยงเข้าสู่ปัจจัยภายในนี้ก็อาศัยกัลยาณมิตรซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกนี้เองช่วยทำให้ได้และเมื่อว่าตามหลักการแล้วก็ให้ถือเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่จะช่วยผู้เรียนให้ปลุกโยนิโสมณสิการของตนขึ้นมาใช้กัลยาณมิตรจึงไม่พึงมีเป้าหมายอยู่เพียงแค่ขั้นศรัทธา แต่พึงใช้ศรัท ธ, ธาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้ตนจุดชนวนโยนิโสมนสิการในตัวผู้เรียนขึ้นได้โดยสะดวกโดยในยะนี้กาลยาณมิตรอาศัยศรัท ธ, ธาเป็นเครื่องเชื่อมโยงแล้วใช้การแสดงธรรมธรรมะที่แสดงหรือวิธีแสดงธรรมนั่นเองช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนปลุกโยนิโสมนสิการขึ้น คือให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยตนเองโดยมองสิ่งทั้งหลายตามสภาวะและเหตุปัจจัยเมื่อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแล้วกระบวนธรรมะก็ดำเนินก้าวหน้าต่อไปได้จนถึงที่สุดระหว่างนี้กัลยานามิตรก็อาจคอยช่วยประคับประคองชี้ช่องหนุนเสริมโยนิโสมนสิการนั้นด้วยการแสดงธรรมไปเรื่อย เมื่อพร้อมทั้งปัจจัยภายนอกมายงกับปัจจัยภายในคือปรตโตโคสะที่ดีช่วยหนุนเสริมโยนิโสมนสิการมนุษย์ปุถุชนที่เป็นเวไนคือไม่ถึงกับเป็นอริยะที่จะเริ่มโยนิโสมนสิการขึ้นลำพังตนเองและไม่ใช่ปะทะประมะที่มีอาจคิดเองได้ก็จะสามารถก้าวไปในกระบวนการศึกษา และการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอาจพูดํำชับเกี่ยวกับหน้าที่ของกา ร, รยานามิตรตามหลักพุทธธรรมว่าการที่กาลยานามิตรมาช่วยเหลือคนผู้หนึ่งผู้ใดนั้นไม่ใช่เพื่อให้คนผู้นั้นหันมาติดพันขลุกหรือวุ่นอยู่กับกา ร, รยานามิตรเองซึ่งกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นั้นกับกา ร, รยาณมิตรไป และอาจมีผลเพียงว่าให้เชื่ออย่างที่กรัญ น, นามิตรเชื่อหรือทำอย่างที่กรัา น, นามิตรทำเท่านั้นการัญ น, นามิตรเข้ามามีใ่เพื่อให้คนผู้นั้นหันมาสัมพันธ์กับตนแต่เข้ามาเพียงเพื่อเป็นสื่อช่วยให้คนผู้นั้นสัมพันธ์กับสิ่งที่สามคือโลกและชีวิตหรือสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมตัวเข้าอยู่อย่างถูกต้อง โดยเข้ามาชี้บอกให้เขาหันไปมองสิ่งเหล่านั้นและพิจารณาให้รู้จักมันตามความเป็นจริงจนเขารู้ได้ด้วยตนเองว่าเขาควรสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นให้ถูกต้องอย่างไรโดยในยานี้กระบวนรธรรมะจึงต้องเขียนต่อไปอีกดังนี้ในที่นี้แต่ละคํามีลูกศรไปหากันคือเป็นปัจจัย หรือส่งให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งนะครับเสวนาสัตบุรุษคือมีกัลยาณมิตรสนับธรรมศรัทธาโยนิโสมนาสิการแต่เนื้อหลักการพัฒนาปัญญาหรือองค์ประกอบที่จะทำให้เป็นโสดาบันท่านไม่กล่าวถึงศรัทธาเลยทั้งนี้ท่านอาจถือว่าในกรณีนั้น ศรัทธาเป็นเพียงองค์ทรรมผ่านหรือช่วยเชื่อมโยงไม่ใช่ตัวเน้นจึงข้ามไปหลักการพัฒนาปัญญาคือปัญญาวุฒิธรรมเรียกย่อๆว่าวุฒิสีธรรมะที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาหรือธรรมะเครื่องเจริญปัญญา ตรงกับองค์ประกอบที่ทำให้เป็นโสดาบันคือโสตาปฏิยังคะสีได้แก่สับ ป, ปริ ส, สังเสวะสัทธธรรมสวนะโยนิโสมณสิการธรรมานุธรรมะปฏิบัติหลักการนี้ที่ท่านกล่าวสอนในรูปที่ง่ายๆมีกระจายอยู่ในที่ต่างๆเหมือนดังว่าท่านไม่ลืมที่จะกล่าวถึงเมื่อมีโอกาส ข้อที่กล่าวไว้แข่งขันอิงแห่งหนึ่งดูได้ที่กุตกานิกายกุตการกาปาธะกระบวนรธรรมะดังที่แสดงตามลาดับมาเมื่อประสานกับหลักการพัฒนาปัญญาหรือองค์ประกอบที่ทำให้เป็นโซดาบานนั้นอาจเขียนได้ดังนี้ในที่นี้คือแตละคำเรียงตามลาดับมีลูกอรแตละคำไปหากันเช่นเคยเนะครับ เซวนาสัตบุรุษหรือมีกัญยานมิตรสดับธรรมศรัทธาคำว่าศรัทธานิทันวงเล็บไว้โยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมถูกหลักพุทธพจน์ต่อไปนี้แม้จะไม่ได้ระบุองค์ประกอบข้อโยนิโสมนสิการแต่ก็แสดงให้เห็นการทาหน้าที่ของกันัญยามิตร ซึ่งให้ความเป็นอิสระแก่ผู้ศึกษานำไปสู่การรู้เข้าใจประจักษ์ด้วยตนเองดังคำสนทนาต่อไปนี้มาคันทิยะกราบทูลว่าข้าพเจ้าก็เริ่มใส่ต่อท่านพระสมณะโคโดมอย่างนี้แล้วท่านพระโคโดมผู้เจริญพอจะทรงช่วยแสดงธรรมให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากอาสนะนี้โดยหายมืดบอดได้ไหม พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นมาคันธียะท่านพึงคบหาสัตบุรุษทั้งหลายและเมื่อท่านคบหาสัตบุรุษท่านจากได้สำดับสัตธรรมเมื่อท่านได้สดับสัตธรรมท่านก็จกปฏิบัติธรรมถูกหลักเมื่อท่านปฏิบัติธรรมถูกหลักท่านก็จกรู้ได้เองเห็นได้เองทีเดียวว่าโรคทางจิตฝีร้ายในใจ สอนที่คอยทิมแทงใจคือเหล่านี้เหล่านี้โรคฝีร้ายสอนแทงใจจะดับไปได้นาที่นี้คือเพราะอุปาทานของเรานั้นดับไปพบก็ดับละจนถึงความโศกความครื่อครวนความทุกขโทมนัตความขับแค้นใจก็ดับไปความดับแห่งกองทุกทั้งมวล ก็จะมีได้ด้วยประการชะนี้และอีกแห่งหนึ่งว่าดังนี้โท ต, ตะกะมานพทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาจากสุเห็นรอบด้านข้าพระองค์ขอน้อมนมัส ก, การพระองค์ข้าแต่พระสักยะขอไ ด, ด้โปรดปลดปล่อยข้าพระองค์จากข้อสงสัยทั้งหลายด้วยเถิด พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโทตกะเราไม่สามารถปลดปล่อยใครๆในโลกผู้ยังมีความสงสัยอยู่ให้พ้นไปได้แต่เมื่อท่านรู้ชัดซึ่งธรรมะอันประเสรศิฐท่านก็จะข้ามห่วงกิเลสไปได้เองในเมื่ออิสรภาพของผู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและในเมื่อกัลยาณมิตรก็ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดแล้ว ก็จะต้องย้ำถึงการทำหน้าที่ของตัวผู้ศึกษาเองบ้างเพื่อจะได้ใช้อิสรภาพของตนให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงทำหน้าที่อีกด้านหนึ่งของกาลยาณมิตรคือการแนะนำกระตุ้นเตือนให้ผู้ศึกษาทำหน้าที่ของตนให้ดีดังมีพุทธพจน์ตรัดสอนเกี่ยวกับการฟังธรรมการสนทนาการปรึกษาสอบถามเป็นอันมาก ตัวอย่างเช่นภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะหประการเมื่อฟังสัจธรรมยอมเป็นไปได้ที่จะย่างลงสู่นิยามคือความถูกชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย5ประการอะไรบ้างได้แก่ 1. ไม่นึกมินเรื่องที่เขาพูด 2. ไม่นึกหมิ่นผู้พูด 3. ไม่นึกหมิ่นตนเอง 4. ใจไม่ฟุ้งซ่านฟังธรรมโดยมีจิตหนึ่งเดียว 5. มนสิการโดยแยกขายคือโยนิโสมนัสิการธรรมะชุดเดียวกันนี้ยังตรัสต่อไปอีกณที่มานี้อีกสองหมวด มีข้อต่างคือมีปัญญาไม่โง่เง่าไม่ฟังโดยมีความรู้สึกลบลูไม่ฟังโดยมีจิตแข่งดีไม่ฟังโดยคอยจ้องจับผิดมีจิตกระทบกระด้างต่อผู้แสดงไม่คิดหมายว่าเข้าใจแล้วในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจและทุกหมวดตรัสธรรมะฝาตรงข้ามเป็นคู่ไว้ด้วยส่วนที่ตรัสไว้นะที่อื่นก็ยังมีกระจายอยู่เป็นอันมาก ธรรมะที่ต้องการเน้นนาที่นี้คือโยนิโสมนัสิการซึ่งเป็นตัวการทำหน้าที่ทางปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่โยนิโสมนัสิการนั้นมใีใช้เฉพาะในการฟังธรรมหรือฟังคำอธิบายเท่านั้นหากเป็นธรรมะที่พึงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกส่วนทุกเวลาทั้งในการรับรู้การเผชิญสถานการณ์และการสัมพันธ์เกี่ยวข้องปฏิบตัติต่อสิ่งทั้งหลายทุกกรณี เมื่อกล่าวมาถึงขั้นที่โยนิโสมนาสิการเข้ารับช่วงไปแล้วก็เป็นอันก้าวขึ้นสู่ตอนใหม่ซึ่งโยนิโสมนาสิการเป็นเจ้าของบทบาทอันจะต้องแยกไปบรรยายเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากต่อไปแต่ก่อนจะยุติเรื่องปารโตโคสะเห็นควรกล่าวถึงศรัทธาซึ่งเป็นองค์ธรรมสำคัญของตอนนี้ไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่งก่อนพอให้เห็นว่าศรัทธาที่ถูกต้อง ใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนธรรมะแห่งความดับทุกนั้นเป็นอย่างไรและควรจะปฏิบัติต่อศรัทธานั้นอย่างไร